ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่า ใ, ใจมันพุ่งออกไปข้างนอกเรามาประชุมกันในศาลาการประเรียนนี้ผมมุ่งหมายก็เพื่อ จะมาพร้อมเพียงกันทำความเพียรทั้งทางกายด้วยทางกิตด้วยทางกายนั่นจะได้วันนั่งสมาธิให้ตัวตรงบางคนมันทำอยู่ผู้เดียว ถูกความง่วงครอบงำเอานั่งไม่ได้ก็มีเนื้อไม่มีกำลังใจที่จะนั่งภาวนาก็มีในเมื่อได้มารวมกันอย่างนี้แล้วมันก็มีกำลังใจขึ้นทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้น นี่จะเป็นนั่งง่วงนั่งหลับอยู่อย่างนั้นเรียว่าเราจูงกันไปถ้าหากว่าจะปล่อยให้นั่งสมาธิของใครของมันไปอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่เด่นนั่งสมาธิเลย มันท้อแท้สู้กิเลสไม่ไวอันนี้แหละโลกอันนี้มันยิ่งกัวกันย่อนกัวกันไม่สม่ำเสมอกันผู้มาก่อนไปก่อนผู้มาทีหลังไปทีหลังหงมายความว่า ผู้ใได้สร้างบุญบา ร, รมีมาแต่ก่อนนุนมากไะ้ยางนี้บุญบา ร, รมีเต็มแล้วกละอาสะกะกิเลสขาดโดยสิ้นเชิงดับขันแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปนั่นเรียกว่าผู้มาก่อนไปก่อนผู้ใด ย, ยังสร้างบุญบา ร, รมีไม่เต็ม บุญยังบารมียังอ่อนโยก็ทำความดีได้แต่น้อยทำไม่ได้มากเพราะการทำกุศลคุณงามความดีต่างๆในชาตินี้เนะี่ยมันจะขยันหมันเพียนไปได้เพราะอาศัยบุญเก่า ที่ได้ทำมาแต่ก่อนน้นหนุนหลังจึงค่อยขยันมันเพียรถ้าผู้ใดได้ทำบุญกุศลความดีมาแต่ก่อนน้อยไปกำลังอุดหนุนมาก น, น้อยทำให้ใจอ่อนแอสู้กับอำนาจของกิเลสไม่ค่อยไว ก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ให้อดใช้ทนต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้บารมีอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นแต่ผู้ใดไม่กล้าเผชิญหน้ากับกิเลสอย่างว่าเนี่บุญบารมีก็ไม่แก่กล้า อากิเลเกิดขึ้นก็อ่อนพับไปตามมันเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าผู้จิตใจผู้ใดเป็นอย่างนี้บุญบา ร, รมีก็ไม่แก่กล้าให้พึงเข้าใจบุญบา ร, รมีมันจะแก่กล้าได้ก็ะเพาะาเป็นผูกอดกัน้นทนทานสู้ต่อสู้กับอำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้น ีกิเลสมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ากําลังคุณธรรมอันเป็นเครื่องสกัดกัน้นกิเลสมันมันมีน้อยมันอ่อนกําลังมันยังสู้กับอํานาจของกิเลสไม่ไหวเหมือนอย่างคนกําลังน้อยไปปุกปล้ากับคนกําลังมากอย่างนี้ มันก็สู้คนกำลังมากไม่ได้นี่เ้าให้พากันเข้าใจดวงจิตนี่ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีมันก็สามารถละกิเลสได้อย่างนี้มันก็คงละกิเลสกันไปได้มากมายแล้วโลกมนุษย์เรานี่นะแต่นี่พูดที่ ะละกิเลสได้นะ่ะมีจำนวนน้อยเต็มทีแม้แต่ครั้งพระเจ้าก็คนที่ละกิเลสไม่ได้นะมีอยู่มากมายหลายเท่าคนละกิเลสไปได้หมดสิ้นนั้นมีน้อยเดียวถ้าเทียบกับคนทั้งโลกนี้แล้วนะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเมื่ออินทร์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มบริบูรณ์ตราบใดก็บรรลุไปไม่ได้ผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ประมาทพยายามฝึก้นใจของตนให้มันหนักมันแน่นเข้าไปเมื่อมีเหตุใดเกิดขึ้นมา ก็ต่อสู้เหตุอันนั้นด้วยน้ําใจอันตั้งมั่นเยือเกเย็นไม่ใช่ว่าไปต่อสู้กับเรื่องนั้นๆด้วยอํานาจแทงกิเลสโทสะพยาบาทหรืออะไรไปทํานองนั้นถ้าหากว่าจิตใจวันไหวไปอย่างนั้นน่ะมันก็ทําให้อินทรบารมีแก่กล้าไม่ได้เลยมีแต่กิเลสนั่นแหะ มันเป็นใหญ่อยหัวใจอันเราจะไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้มันไม่ได้ในเมื่อมันมีอยู่กิเลสชนิดใดมันมีอยู่เมื่อมันได้รับเชื้อภายนอกอแล้วมันก็ลุกลามขึ้นมีกำลังขึ้นเห็นนั้วเนี่ยผู้ใดรู้ตัวว่านี้คือกิเลส ในยานี้มันก็ต้องสู้กับมันคืออดกัน้นไม่คิดไม่่งเสริมมันต่อไปยกตัวอย่างเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะโดยที่เผลอรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นเช่นนั้นรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นแม้มันลุกลามใหญ่โตไป อะไรอะไรมันก็สู้ความอดไม่ได้หรอกโลกสนิวาตอันเนี้ยเมื่อออดกั้นได้อย่างนี้ความโกรธนั้นมันก็ไม่มีกำลังแบบนี้นก็อ่อนกำลังลงเมื่อความโกรธนั้นอ่อนกำลังลงเราก็มีสติระลึกได้มีปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาได้แบบนี้ว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรมันมาอย่างไร ทำไมจึงโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะรู้สึกว่าคนนั้นด่าเราคนนี้คิดเบียดเบียนเราคนนั้นค่มเหงเรานี่มูลเหตที่มันจะโกรธมันสำคัญอย่างนั้นถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเองมันก็คนบ้าซี่แบบนั้นนะ มันมีเหตุเมื่อเราค้นหาเหตุพบอย่างนั้นแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาดูร่างกายอันนี้นะว่าร่างกายอันนี้เป็นของเราจริงเหรือไอ้พวกที่เขาด่านะ่ะปากเขาก็ดีร่างกายเขาก็ดีเป็นของเขาจริงเหรือโดยความจริงแล้วนะมันไม่ใช่ มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วมันก็มีจิตวิญญาณนี่มาอาศัยจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองร่างกายอันนี้ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเมื่อเราแยกแยะดูด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่า ไอตัวตนเราเขามันไม่มีอยู่ในเนี้ยต่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปสําคัญผิดทําไมว่าเขาด่าเราเขาข่มเหงเราเบียดเบียนเราอย่างเนี้ยถ้าไปสําคัญอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ได้เจริญสมถะไม่ได้เจริญวิปัสนาเลยอืม ไม่ได้ใช้ปัญญาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตดังนั้นน่ะจึงได้มีความเห็นผิดจากธรรมของจริงเลื่อยไปเมื่อมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงไปอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาบางเลยกิเลส มันยิ่งยับเมื่อวันแต่มันจะหนาขึ้นไปเรื่อยๆให้พากันสํานึกให้ได้คนส่วนมากมันมีแต่ส่งใจไปไปเรื่อยไปส่งใจไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบมาทางตาเป็นต้นแล้วมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันเป็นปัจจุบันเนี่ย มเมื่อเมื่อผูใ้ใดสามารถทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้มันก็เห็นแจ้งอย่างว่านั้นเนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็คลายความโกรธความไม่พอใจต่างๆลงบาด้เพราะว่ามันไม่มีใครด่าดเรามันไม่มีใครข่มเหงเรา อ, อย่างนี้ เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรนี่มีแต่สภาวะธาตุเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่มีใครด่าเราด่าเขาอะไรเขาผู้ด่าก็ไม่มีมีแต่สังขาราเทนั้นเนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเสียงต่างๆก็ดีรูปต่างๆก็ดี ก็ต้องให้กำหนดรู้ว่ามันเป็นสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นความโกรธนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นในใจให้ด่าคนนุน่นให้พูดเสียสีคนนี้นั่นถ้าความโกรธไม่มีแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเลย ส่งทวนกระแสะมาดูให้รู้อะรู้ว่ไอความชั่วมันหมักหมมอยู่ในใจนี่นะมันมีอยู่หรือถ้าผูใ้ใดทวนกระแสะเข้ามาดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้ความชั่วชนิดนี้มันมีอยู่ในใจของเราเราจะต้องกาจัดมันจะไม่เลี้ยงมันไว้ มันมีพิษมีภัยต่อตัวเองและผู้อื่นนี่การที่บุคคลจะละกิเลสได้ก็เพราะว่าทวนกระแสจิตเข้ามาไม่ไม่ส่งกระแสจิตออกไปฝ่ายเดียวการทรงกระแสจิตออกไปข้างนอกนั่นถ้าพูดในทางปฏิบัติแล้วมันผิดทาง มันตส่งออกไปมันก็ไปเกาะไปคล้องอยู่ภายนอกนู่นเนะแล้วมันก็เห็นผิดสําคัญนะ่ะเป็นเราเป็นเขาไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้ามันทวนกระแสเข้ามาภายในนี่นะมันจะมองเห็นว่าอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงจังนะสมมุติว่ากันเอาต่างหากสมมติว่าสมมุติว่าตาเราหูเรา จมูกเราลิ้นเรากายเราอย่างเนี้ใจเราล้วยแต่สมมุติทั้งนั้นแหละอันที่ว่าหมูนี้นะเมื่อเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตาเราเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมท่านะประชุมกันอยู่แต่สมมุติว่าตาเท่านั้นเองหรอก สิ่งที่ถูกสมมุตินท่นนานหมายความว่ามันมีมันประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วแถมอากาศธาตุเข้าไปอีกแถมวิญญาณ น, นาธาตุเข้าไปอีกอวิญญาณม า, าสายตานี่อยู่นี่วิญญาณอาศัยหูวิญญาณอาศัยจมูกวิญญาณอาศัยลิน้นวิญญาณอาศัยอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆ โมนีวิญญาณมันมาจากไหนล่ะ่มนีวิญญาณมันก็ออกมาจา ก, กจิตนั่นแหละอก็หมายถึงอาการของจิตนั่นเองนะถ้าไม่มีจิตอาศัยอยู่ในร่างกายนเนี่ยวิญญาณตาเป็นต้นก็ไม่มีนั่นต้องพิสูจน์ดูให้มันเห็นวิญญาณนี่ตัวตนี่มันมันรับรู้อารมณ์ภายนอก เช่นวิญญาณตามันก็รับรู้รูปที่มากระทบตาวิญญาณหูมันก็รับรู้เสียงที่มากระทบหูวิญญาณจมูกมันก็รับรู้กลิ่นที่มากระทบจมูกวิญญาณลิน้นมันก็รับรู้รสอาหาร ที่อร่อยหรือไม่อร่อยเป็นต้น <c oughs> วิญญาณกายก็มีหน้าที่รับรู้สัมผัสคือว่าสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสมาถูกต้องเช่นหนาวร้อนอย่างนี้นะมาถูกต้องเข้ามันก็รู้สึกว่าหนาวรู้สึกว่าร้อน ของแข็งอะไรกระทบของแข็งอะไรกระทบเข้ามาก็รู้สึกว่าเจ็บก็ใัยวิญญาณธาตุอันนี้เลย <c oughs> มันรับรู้ที่นี่ถ้าเมื่อจิตดวงนี้มันถอนออกจากร่างนี้แล้ววิญญาณก็ดับไปหมดเลย ร่างกายนี้มันก็เหมือนท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนพื้นดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในคำชักบางสกุลเป็น น, น, <c oughs> นี่เราต้องค้นดูเราต้องเพ่งพิจารณาดูให้เห็นตลอดไปเลยอย่างนี้มันจะไม่ได้หลงวิญญาณแบบนี้นะ ไม่ได้หลงความรู้สึกทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะถ้าเราไม่ได้กลวดกล้าดูให้ละเอียดทีท้วนอย่างว่านี่นั่นหลงเลยพอตาไปเห็นรูปสวยๆออกมามันก็รักขึ้นมาแล้วถ้าตาไปมองเห็นรูปที่น่าเกลียดมันก็ชังขึ้นมาแล้วอย่างนี้แหละ แม่หูจะหมูกลื้นกายทุกอย่างมันได้สัมผัสกับเสียงเป็นต้นเหล่านั้นในบางเก็เมื่อมันไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาเห็นแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปอยู่อย่างนั้นนะความยินดียินร้ายอันนี้แหละมันก่อให้เกิดความโลภความโกรธอย่างหนา แน่นขึ้นมาคือว่ายังหยาบนั่นเนความโลภความโกรธความหลงยังหยาบมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันไม่รู้เท่าความยินดียินร้ายที่มันเกิดขึ้นในใจนี่แหละความยินดียินร้ายที่แรกมันก็เกิดขึ้นอ่อนๆไม่ไม่ไม่แรงไม่ร้ายแรง ถ้าหากว่าไม่รู้เท่าไม่ระงับมันปล่อยให้มันมากเกินไปมันก็กลายเป็นความโลภความโกรธความหลงไปกลายเป็นมานะทิฐิไปแข็งกระด้างกระเดืองไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเลยอย่างนี้นะนี่การเจริญวิปัสสนามันก็ต้องเพ่งพิจารณา ให้ถึงความจริงอย่างนี้พิจารณาอาัจภาพร่างกายอันนี้เลยให้มันถึงความจริงถ้าไม่ได้พิจารณาให้เข้าถึงความจริงอย่างว่านี่มันก็หลงว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนั้นเลยอันว่าใครสนรเสริญเยินยอ่อก็ อกเพิ่มอกเพิ่มใจว่าแหมมีคนสรรเสริญเยินยอ ม, มากนะเราเนี่ยนี่ดีอกดีใจเนี่ยเลยว่าลืมตัวที่แท้เขาสรรเสริญก้อนดินก้อนน้ําก้อนไฟก้อนลมนี่ทางหากนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็มีแต่ธาตุสี่นี่นะทีนี้ ถ้ามีใครเขานินทาว่าร้ายมาอย่างนี้ก็เอาแล้วเอ๊ะเจ้า น, นั่นนี่มันว่าเรามันด่าเรามันอิจฉาเบียดเบียนเรานี่มาสมมุติเอาถาดดินน้ำไปลวมอันรวมเรียกว่าร่างกายอนี่ว่าเป็นเราเข้าแล้วอย่างนี้ทําไหมล่ะจึงไม่กําหนดรู้นี่อัน การที่มันจะได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จะจบจากสิ้นเนี่ยก็เพราะเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละให้พากันเข้าใจเอาไปสร้างกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเรากิเลสเหล่านี้มันก็บรนดานให้ทำบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่ามมุสาวาต ด, ดื่มสุ ร, ราเมรยัย เครื่องดองของเมาของเสพติดในโทษทุกชนิดบุคคลจะทำชั่วห้าอย่างนี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือว่าหลายอย่างก็ดีก็เพราะอาศัยกิเลสดังกล่าวมานั่นเองนะกิเลสจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะไม่สำรวมใจให้สงบไม่เจริญปัญญาวิปัสนาไม่เห็นแจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริง ความโลภโกรธหลงมันถึงได้เกิดขึ้นมานะความถือตัวถือว่าตนแข็งแรงดีแม้จะตีกันเราก็ไม่กลัวจะทำร้ายซึ่งกันและกันอย่างไรเราก็ไม่กลัวนี่ความสำคัญผิดเนะนึกว่าตนเนื้อร่างกายอันนี้มันจะแข็งแรงสู้ได้ มันจะไปสู้ได้ยังไงแล้วคนกำลังแข็งแรงอ้วนทุนพอลูกปืนมันถูกเข้าไปทนันทะนลุไปเลย อ, อะไรมันจะไปสู้ได้มันเข้าใจผิดต่างหากนั่นแหละ <c oughs> อย่าไปเข้าใจผิดผู้เจริญสมถะวิปัตนาผู้ปฏิบัติธรรมนะสละลงไปเสียเถิด โปร่งมันลงวางมันลงอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเรามันเป็นการเพราะกิเลสให้หนาแน่นขึ้น๋ย่มันเป็นเหตุให้ทําบาป <c oughs> ถ้าผูใ้ใดหัดโปร่งมันลงวางมันลงไปแล้วมันก็เบาใจ ใครด่ามามันก็ระลึกได้ว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าดินด่าน้ําด่าไฟด่าลมต่างหากใครสรรเสริญเยินยอมามันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้สรรเสริญเราหรอกเขาสรรเสริญดินน้ําไฟลมต่างหากเมื่อมันรู้ได้ระลึกได้อย่างนี้มันก็ไม่ยินดีพดเพลิดเพลินไว้ตามคาสรรเสริญเยินยอนั่นนั้น จิตก็เป็นปกติอยูน่นี่ต้องพิจารณาดูให้เห็น <c oughs> พอเมื่อเป็นเช่นนี้นะทำไมล่ละเราจรึงจะมัวมองประมาทอยู่ในเมื่อความจริงมันมีให้เราเพ่ง ใ, ให้เราพิจารณาเห็นอยู่นี้ไม่ใช่อยู่ลี้ลับที่ไหนร่างกายอันนี้นะ มันเป็นของมองเห็นด้วยตาหนังต้องต้องอยู่ดีๆเนี่ยผมขอนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ลี้ลับซับซ้อนที่ไหนอะ่ะพิจารณาดูให้มันเห็นทำไหมจึงเป็นผู้ประมาทอยู่เตือนตนเข้าไปสิ สมควรที่จะรู้จริงตามเป็นจริงในชีวิตนี้แล้ว hmm. เมื่อตนได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติหรือถ้าเป็นกลือหัดก็เชื่อมั่นในทานในศิลในภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็เชื่อมั่นในสินในสมาธิในปัญญานี่ ข้อปฏิบัติสามประการนี้นะจะพาตนในพ้นทุกข์ไปได้ถ้าตนลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปนี่ทำไมจึงมานอนรับอนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ไม่บำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจใครก็ช่างแหละที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันเนี้ย ถ้าไม่ได้มาเจริญสินสมาธิปัญญานี่แล้วจะพ้นทุกไปไม่ได้เลยจะเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ส ก, กี่หมื่นชาติแสนชาติก็พ้นทุกไม่ได้ไม่มีข้อปฏิบัติอย่างอื่นที่จะทำละจิตใจ นี่ให้สะอาดปราศจากกิเลสตัณหานานาประการนี่ไม่มีเย่ะคุณธรรมอย่างอื่นจะมากาจัดกิเลสในหัวใจให้หมดสิ้นไปนั่นไม่มีถ้าว่ามีเช่นนี้ไอ้พวกที่นับถือลทัทธิอื่นศาสนาอื่นเหล่าเนั่นมันก็ต้องสิ้นกิเลสไปหมดแล้วสิ ก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ไม่ครองเรือนแล้ว <c oughs> แล้วก็จะไม่เบียดเบียนกันเลยนี่ปรากฏว่าไอ้พวกนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นนี่พวกเดียวกันก็ยกพวกตีกันเบียดเบียนกัน อยู่อย่างนั้นเลยแล้วแถมยังคิดทำลายล้างลัทธิอื่นศาสนาอื่นให้หมดไปจากโลกนี้อยากให้มีแต่ศาสนาหรือลัทธิของตัวนั้นเด่นอยู่ในโลกผู้เดียวแตอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นธรรมได้อย่างไรอ่ะแนวทางของลัทธิหรือว่าศาสนาต่าง ในโลกนี้นะมันจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกได้อย่างไรแก่ผู้ปฏิบัติตามไม่มีมีแต่พอกภูนกิเลสอิจฉาริษยากันพยาบาทจองเวรกันไปอยู่อย่างนั้นนะส่วนว่าพุทธศาสนานี่หรือว่าศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติสามประการนี้นะ ล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทมานะทิทธิต่างๆพวกนี้นะให้เบาบางหมดไปสิ้นไปจากโวงจิตนี้ทั้งนั้นเลยก็อลองสันนิษฐานดูเป็นยังไงล่ะยังศีลอย่างนี้นะอ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อสินไม่มีลำเอียงเลยคำว่าปานาทิบาตห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้นะอา้าวคำว่าสัตว์นี่จะหมายเอาสัตว์ประเภทไหนบ้างอางทุกประเภทเลยแต่บรรดาที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ในโลกอนี้รวมเรียกว่าสัตวโลกทั้งนั้นเลย จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่สามารถมองเห็นด้วยตาขึ้นไปจนโตที่สุดเท่าช้างนุนผู้ใดฆ่าผู้ใดทำลายเชื่อว่าเป็นบาปทั้งนั้นเลยต่างแต่ว่าบาปมากบาปน้อยกลัวกันเท่านั้นแหละสัตว์ใหญ่มันก็เป็นบาปมากสัตว์เล็กบาปมันก็น้อยลงเป็นอางนั้นสัตว์ที่มีคุณมันก็บาปมาก สัตว์ที่มีคุณก็หมายเอาทั้งช้าง ม, าม้าโมควายและหมายถึงคนเหล่านี้ด้วยเช่นมารดาบิดาลุงป้านาอาครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสัง่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้ทั้งทางโลกและทางธรรมมือนี่ ผู้ใดไปร่วงเกินเบียดเบียนเป็นบาปเป็นกรรมมากกว่าไปเบียดเบียนบุคคลธรรมดาสามัญเพราะท่านที่กล่าวนา ม, มานี้ร่วงแต่มีอุปการะคุณแก่ตนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนี้ในเรื่องการฆ่าอย่างนี้นะในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงรายละเอียดออกไปอย่างนี้แหละ <c oughs> ดังนั้นเนะี่ยคำว่าข้อสินในพุทธศาสนานี้ไม่มีลำเอียงเลยในข้อสินอนอกพุทธศาสนาออกไปนะี่ยมันมันบัญญัติห้ามเป็นเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นบุคคลไปอย่าว่าห้ามฆ่าสัตว์นี่ห้ามฆ่าคน ดังนั้นส่งวิญญาณมันไปเกิดอยู่บนสวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้าเสียแล้วมันจะได้รับความสุขดังนั้นจึงได้จับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าลงไปเพื่อส่งวิญญาณมันไปเกิดกับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์นี่แล้วลองผู้มีปัญญานะ่ะลองพิสูจน์ดูสิว่าความคิดความเห็นอย่างนั้นนะ่ะ มันเป็นธรรมหรือเปล่านั้นถ้าผู้มีปัญญามีใจเป็นกลางไม่ลาเอียงไปด้วยอํานาจของกิเลสแล้วก็จะต้องเห็นว่าไม่ไม่เป็นธรรมแล้วความเห็นอย่างนั้นมันลาเอียงด <c oughs> ะงนั้นความเห็นในทางพุทธศาสนานี่จึงชื่อว่ารอบคอบกว่า เป็นธรรมกว่าโดยงั้น <c oughs> อธินาทานการถือเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนมูนี่มันล้วนตั้งแต่เป็นการไปทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นทั้งนั้นเลย การไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นก็เหมือนกันการใช้คำพูดไปพูดหลอกลวงคนอื่นให้เสียทรัพย์เสียสินไปมูนี้นวนแต่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไม่ยุติธรรมทั้งนั้นเลยเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไป การดื่มเหล้ามองสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมุนีอันนี้มันเป็นการทําลายสุขภาพทางร่างกายทําลายสุขภาพทาง จ, จิตใจของผู้บริโภคของผู้ดื่มผู้กินทั้งนั้นแหละสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเพราะว่าของเสพติดเหล่านี้มันมี พิษมีภัยอยู่ในตัวเมื่อบุคคลได้กินเข้าไปสูบเข้าไปมันจะไปทำลายอาวัยวะร่างกายส่วนสำคัญที่สคัญอยู่ภายในให้เสื่อมคุณภาพไปดังนั้นเรีกว่ามันทำลายสุขภาพร่างกายส่วนทางจิตใจนั่นก็ เป็นใจดำอมหิตไป ม, ม, มันมันกลายเป็นใจดำอมหิตไปเส้นคนดื่มเหล้าอย่างนี้นะเมื่อดื่มมากๆเข้าไปแล้วมันย้อมใจให้เกิดมาหน้าทิพย์จัดขึ้นมาเลยใครมาว่าอะไรนิดหน่อยไม่ได้โกรธอย่างรุนแรงทีเดียวโกรธแล้วก็สามารถ ฆาผู้อื่นได้เลยวนันนี้แม้ผู้มีคุณก็ฆ่าได้มันลืมนี่มันนึกไม่อดได้เลยเมื่อมันเมาได้ที่แล้วนะถึงวอนนั่นเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นการทำลายสุขภาพทางจิตของมือนเมาต่างๆดังกล่าวมาเนี่ย <c oughs> นี่ลองคิดดูพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศาสนาเนะ ผู้มีปัญญาได้พิจารณาดูแล้วไม่มีช่องวัวอะไรที่จะตำหนิได้เลยคำสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วรวมความลงแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงบัญญัติถ้าไม่คนทำชั่วด้วยกายวาจาใจอย่างละเอียดละออทีเดียวความชั่วมีเท่าไหร่พระองค์รู้หมด ทรงสอนให้เที่ยวกำจัดมันให้หมดไปสิ้นไปจากดวงขีดนี้ความชั่วมันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดออบุรีธรรมะที่จะกําจัดความชั่วคือกิเลสเหล่านี้มันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดพอๆกันเลยอเป็นอย่างนั้น เอากิเลสอย่างหยาบก็เอาธรรมะอย่างหยาบนั้นปราบมันอย่างนี้แหละอความโลภอย่างนี้นะความตณีอย่างนีนะ้ก็เอาความสันโดษมากน้อยนั่นะเข้าไปปราบความสันโดษคือถือยินดีตามมีตามได้ตนแสวงหามาได้ด้วยความมั่นความกระยันได้มาเท่าไหร่ ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่อิจฉาดิยสยาเขาก็สาะแสดงความพรอยยินดีด้วยว่าเขามีบุญมากกว่าตนเขาถึงได้ร่ำรวยอย่างนี้แหละเอาเป็นผู้มักน้อยอย่างนี้ เมื่อทนหามาได้น้อยเอาก็ใช้ตามน้อยพอใจใช้ตามน้อยนั่นแหละไม่ต้องเดือดร้อนมีเท่าไรใช้มันเท่านั้นไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใช้มันนี่เรียกว่าเป็นผู้มักน้อยเมื่อเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วความโลคความทนีมันก็เบาบางออกไปจากรุงคิดนี้อย่างนี้แหละ ถ้าทมคำสอนของบุรุเจ้านะ่ะมันเป็นเรื่องกาจัดกิเลสความชั่วต่างๆออกจากดวงจิตนี่ได้จริงๆนะความโกรธออนี่เนะี่ยพระศาสดาก็ทรงสอนให้เจริญเมตตานั้นกาจัดความโกรธนี้และสุดท้ายก็อาศัยปัญญาถอนรากของมันออกมา ตอนตัดก้านร้านกิ่งนี่อาศัยเมตตาทำเจริญเมตตาให้มากๆเข้าไปแล้วก็ความโกรธนี่มันก็เบาบางลงไปถ้าใครไม่ได้เจริญเมตตาแล้วก็ไม่มีทางเนี่ยความโกรธนี่มันจะเบาบางลงะจะเป็นคนใจดําอยู่อย่างนั้นแหละความโกรธกับความถือตัวว่า ตัวว่าตนว่ามีตัวมีตอนอันนี้เป็นคู่กันเลยถ้าบุคคลมีความโกรธอยู่ในใจแล้วมันหวงร่างกายนี้นักจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นเยียดย้ำด่าว่าเสียดสีเลยถ้าใครมาแสดงกิริยาไม่พออกพอใจต่ออย่างนั้นแนละ้มันก็โกรธฉุนเฉียวขึ้นมาทันที อันนี้แหละถึงว่ากิเลสยังหยาบเนะี ม, มันทำให้เบียดเบียนบุคคลอื่นได้แล้ววานี้เมื่อเมื่อระงับจิตไม่อยู่แล้วผู้ใดเมื่อมาเจริญเมตตาให้มากมากหรือเสมอเสมอไปแล้่ความกโกรธ ด, ดังกล่าวมันนี่มันจะไม่เกิดขึ้นถึงมันกโกรธมันก็กโกรธอ่อนออน อันนี้นะไม่ถึงก็จะไปประหัดประหารคนอื่นได้นี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ลองพิสูตรรู้มา น, นีความหลงละ่ะความหลงแล้วก็พระศาสดาก็สอนให้ภาวนาละงับมันความหลงนี่ก็คือความไม่รู้ ไม่รู้อะไรไม่รู้ตัวเองนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดไม่รู้ตัวเองนี่กายกับจิตนี่เป็นมาอย่างไรอาศัยเหตุปัจจัยอะไรตกแต่งให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ระลึกไม่ได้รู้ไม่ได้เลยรู้ได้แต่เพียงว่าตนได้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้กับเขาเท่านั้นแหละ เมื่อไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยชีวิตแล้วก็บุคคลผู้นั้นก็เมาไปเลยไม่รู้จักทางแก้ไขเพราะ บ, บางคนอาจจะยึดถือเอาความโลภโกรธหลงนี่ติดตัวมามากมายมาเกิดในโลกนี้นั่นเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตนมีกิเลสว่ากิเลสนี่มันทำทุกข์ให้แก่ตนไม่รู้ก็ พะพื้นไปตามอำนาจของกิเลสดันเลื่อยไปอย่างนี้นะนั่นแหละคนไม่รู้จักเหตุปัจจั ย, ยชีวิตตั้งแต่อดีตถลังมาปัจจุบันนี่แล้วไม่เชื่อพระปัญญา ต, ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสียด้วยวันนี้นั่นแหละสาเหตุที่มันจะละกิเลสไม่ไดนะ้ดังนั้นนะ ผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายเนะี่ยเมื่อมาเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยที่พาให้มาเกิดเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาในโลกนี้แล้วแล้วก็รู้กิเลสที่มันรบกวนใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ยอม ปล่อยให้กิเลสที่มันครอบงําจิตใจอยู่โดยส่วนเดียวอะ่ะต้องภากเพียนพยายามกําจัดมันออกไปโดยเฉพาะความหลงนี่ความสําคัญว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนี่นะอันนี้มันไม่เป็นความหลงอย่างสุขุมลุ่มลึกเอาแท้ๆอันนี้นะถ้าปัญญาไม่ แหลมคมจริงๆเนะี่ยถอนความสำคัญผิดคิดว่ามีเขามีเรานี่ออกจากดวงกิจนี่ไม่ได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดี <c oughs> อาศัยความภาคเพียรพยายามเลยการที่บุคคลจะมาละความคิดความเห็นผิด ไปจากคอามเป็นจริงเหล่านี้ได้นะถ้าไม่มันเพี้ยนเพ่งพินิษทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันปัจจุบันนี้เสมอเสมอแล้วมันจะถอนไม่ได้เลยจะละความเห็นผิดเหล่านี้ไม่ได้ออก็จะยึดมั่นไว้อยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อยึดมั่นไว้อย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาบางเลยแม้เป็นนักบวชก็ตามนะ บวชมาหลายพันสมพันษาแล้วอย่างนี้ก็ยังทํากิเลสให้เบอบางไปไม่ได้ก็มีอยู่ทมไปนะก็เพราะมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพินิษ์ดูกายดูใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะบ่อยๆมันจึงไม่ได้เห็นจริงเห็นแจ้งเมื่อไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งพิจญาณาดูแลเมื่อก็หวงแลนบะนี่นะ มันก็สำคัญว่ากายเราใจเราแล้วกันนี้เมื่อมันสำคัญอย่างนั้นมาแล้วมันก็ห่วงแหละใครจะมาตาหนิตีเตียนอะไรน้อยหนึ่งก็ไม่ได้แล้ววันนี้นะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานี่แหละลองคิดดูถ้าจิตใจผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ จะพ้นทุกข์ได้เหรือคิดดูให้ดีพ้นไม่ได้อื <c oughs> มีแต่สร้างความทุกข์ให้ทับถมจิตใจตัวเองอยู่นั่นเนี่ยไปไหนก็แบกเอาความทุกข์ติดตัวไปด้วยและะ้ววันนี้หรือแบกเอาเหตุแห่งทุกข์ติดตัวไปติดดวงจิตนี่แหละไป แบกเอาความโลภความโกรธความหลงไปด้วยเนี่ยไปเกิดในภพใชดชาติใดก็ดีเมื่อเกิดมาแล้วกิเลสมันก็เอามารบกวนจิตใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้กลายเป็นคนใจดํำอมหิทเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่ในโลกอันนี้อย่างเช่นโลกอันนี้เราเกิดมา เราก็เห็นเราก็ได้ยินอยู่ว่ามีการฆ่ากันมีการจี้ปล้นกันมีการแย่ยงชิงลูกเมียกันอะไรหมอนี้นะมีอยู่แทบทุกวันถ้าหากว่าใครได้ไปดูหนังสือพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเขาลงมาจะไม่มีเรื่องการฆ่ากันบอรักทรัพย์กัน จี้ปร้นกันยแทบจะไม่มีซักฉบับเลยมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรเหล่านั้นและเกิดมาชาติใดมันก็ไม่ได้เพียนไม่ยามละทิเดตเหล่านั้นเลยมีแต่สะสมมันใ้มันหนาแน่นไปอ่ะ ดังนั้นเนี่มันจึงกลายเป็นคนที่ทําลายความสงบสุขของโลกมนุษย์เหล่านี้ <c oughs> แล้วเช่นนั้นแหละมันจะไม่ให้บาปกรรมันนาไปสู่นรกอบายภูมิอย่างไรเล่าเร <c oughs> พิจารณาดูให้มันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ <c oughs> เมื่อพระใดมาเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้ว มาบำเพ็ญข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไวน้นี่ถ้าเป็นกระรหัดก็บบำเพ็ญทานศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็ะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นมากมากในกายวาจาใจของตนด้วยนี้ กิเลดเหล่านั้นมันก็จะเบาบางลงไปทันทีเลยออย่างที่ที่แจงมาแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> เมื่อบุคคลใดฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในสันโดษคือยินดีตามมีตามได้แล้วให้ตั้งมั่นอยู่ด้ยความเป็นผู้มักน้อยไม่มักมาอกอย่างนี้แล้วนะความโลภความตณีมันก็ หายไปจริงๆเ่ยมันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่มารบกวนจิตใจนี้ให้เดือดร้อนเลยก็เพราะว่าเมื่อตอนถือมักน้อยสันโดษได้นี่ตนมีอะไรสมบัติเข้าของเงินทองมีลาบมียศอย่างไรก็ยินดีพอใจอยู่เท่านั้นอย่างนี้นะ แล้วความโลภมันจะครอบงมจิตได้อย่างไรอ่ะอืม <c oughs> ความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อทนจเจริญเมตตาอยู่ทุกวันทุกคืนไปว่าโอ้หนอสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ต่างคนก็รักความสุขเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะต้องการให้ คนอื่นและสัตว์อื่นมาเบียดเบียนตนนะไม่มีเลย <c oughs> แม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็คิดเหมือนกับตนนี่เขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเลยเขาก็กลัวตายเหมือนกันนะรักชีวิตนี่เหมือนกันกับตัวของตัวเองนี่แหละนนกะ็เมื่อมันคิดได้อย่างนี้นะคิด เอาเรื่องของเขากับเรื่องของเรามาเทียบกันดูอย่างนี้ม่อก็เป็นเหตุให้เห็นอกเห็นใจบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ปราถนาที่จะเบียดเบียนเขาและมันต่อไปแล้ววันนี้นี่แหละคำว่าการเจริญเมตตานี่นะทีน <c oughs> ี้เมื่อเราเห็นว่าเรา ต้องการความสุขฉันใดบุคคลอื่นก็ต้องการความสุขฉันนั่นอย่างนี้แล้วการทําอย่างไรพูดอย่างไรที่จะให้เราเป็นสุขและให้คนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขก็ต้องทําอย่างนั้นต้องพูดอย่างนั้นไปนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันก็เลยไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นบาดิ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้สะสมความโลภความโกรธให้เกิดขึ้นในใจอันความหลงนั่นน่ะมันละเอียดสุ ข, ขุมเหมือนกันแหละมันหลงไปจนถึงขั้นทาขั้นสูงขึ้นไปนึงแต่มันเป็นความหลงชั้นละเอียดแม้แต่พระอริยบุคคลสามจำพวกเบืองต้น มันก็ยังมีความหลงแทกแซงเข้าไปอยู่แต่มันทักละเอียดกลัวคนธรรมดาสามัญ น, นี่เป็นงั้นเหตุนั้นจึงต้องอาศัยการเจริญวิปัสนาปัญญาโดยอนุโลมปฏิโลมนี่ให้มากขึ้นติดต่อกันไปเรื่อยๆรื่อยเมื่อปัญญามันแหลมคมเข้าไปท่าย มันก็มองเห็นกิเลสและเอียดเข้าไปเท่านั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันปัญญามันจะแหลมคมได้ก็โดยอาศัยการเพ่งพินิจพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่ไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละการกระทำให้มากจเจริญให้มากเขาอย่างนี้นะมันก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความเห็นจริงเพื่อความสงบระ ง, งับเพื่อคลายความกำหนัดยินดีพอใจต่างๆเพื่อนิพพานคือดับทุกภัยในวัฏฏสงสารโดยประการทั้งปวงนี่ <c oughs> <c oughs> พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกระทํม นำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกภัยในวัฏจัรสงสารนี่ไปได้จริงๆดังที่บรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนี้นะก็เข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอพิจารณาเห็นตามได้ไม่ใช่เลือเพราะว่าเท่าเรื่องราวของชีวิตที่นำมาแสดงนี่ล้วนแต่ แสดงได้สิ่งที่มันมีอยู่ในกายในใจของคนเรานี่ทั้งนั้นเลยไม่ได้เอาเรื่องนอกกายนอกใจอะไรมาแสดงนี้ <c oughs> แต่คนส่วนมากเนี่ย <c oughs> เมื่อไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวของชีวิตจิตใจอันนี้ได้โดยละเอียดละออเรื่องมันเนี่ย เพราะว่าชีวิตนี่มันมีปัญหาอยู่สารพัดมากมายไก่กองเหลือเกินนะก็กิเลนนี่แหละมันทำให้เกิดปัญหายุ่งเหยิงขึ้นมานะทำให้เกิดความขัดข้องขึ้นมาอา้าวเช่นอย่างผู้มีความโลภจัดอย่างนี้นะมันก็คิดจะไปอยากไปแย่งริง ชอโกงหลอกลวงเอาของผู้อื่นาเป็นของตนอยู่นั่นแหละของตนที่มีอยู่นี่เท่านี้เราไม่จุใจเลยอมันจะไปก่อเรื่องยุ่งให้แก่ผู้อื่นอยู่อย่างนั้นนะนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าโรโพธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความโลกจัดอย่างว่านั้นแล้วมันก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยวันนี้จะมาทำตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษดังกล่าวมาแล้วนั้นทำไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมความเพียรเจริญธรรมถาภาวนานี่ ก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่อาหารอย่างนี้ก็รับประทานพอประมาณอย่ายให้มากเกินควร <c oughs> ถ้าไปโลภในอาหารแล้วก็อาหารทับทัดแล้วก็มีแต่นั่งง่วงเงาเผนอนจิตใจไม่มีเบิกบานเลยอย่างนี้นะ เอาผ้านุ่งผ้าหมก็พอประมาณไม่ให้มากเกินควรแล้วก็ไม่ใช้ของสวยสดงดงามเกินประมาณมันทำให้จิตใจคลองผ้านุ่งผ้าโฮมก็ดีถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณเนี่ย แต่ใช้ามากๆอย่างนี้เงินทองหาไม่ทันก็เดือดร้อนือาเป็นผู้รู้จักประมาณในที่อยู่ที่อาศัยตอนมีบุญวาสนาได้อยู่ได้อาศัยสถานที่ใดจะเป็นที่ไม่ไม่ใหญ่โตก็ตามหรือไม่สวยงามก็ตามแม้แต่กระท่อมก็ยินดี อาศัยอยู่ถ้าบุญวัฒนาบุญกรรมมันตกแต่งให้อย่างไรเราก็ยินดีอาศัยอยู่ให้นึกเสียว่าเราจะต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้ตลอดหรอกอาศัยอยู่ชั่วคราวเราอาศัยบ้านเรือนอยู่ก็อาศัยเพียงแต่ว่าป้องกันลมฝนแดดสัตว์เลื่อยคลานหรือว่าสัตว ที่มันมารกกวนต่างๆหมนี้นะนั่นแหละเพียงเพื่ออาศัยได้ทำกุศลคุณงามความดีได้ไหวพระได้นั่งสมาธิภาวนาไปเท่านั้นเราอาศัยบ้านเรือนนี่อยู่ไม่ไม่ใช่อาศัยอยู่เพื่ออวดอ้างคนว่าฉันก็มีบ้านสวยบ้านงามอยู่บ้านใหญ่โตอะไรอย่างนี้ไม่ไม่มุ้งอย่างนั้นนะ <c oughs> อ้าวหยกยาแก้โรคภัยไข้ขเจ็บอย่างนี้แล้วก็การที่รับประทานหยกยาอะไรก็พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงรับประทานรับประทานเพื่อบำบัดโรคภัยไข้ขเจ็บนี้ให้หายออกไปจากร่างกายเท่านั้นไม่ใช่รับประทานยานี่เพื่อให้อ้วนให้พี เพื่อให้สวยให้งามอะไรทำนองนั้นเน่ยถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเครื่องส่งเสริมราคะตันหาให้หนาแน่นขึ้นในใจนี่เนี่ยผู้เจริญธรรมถ่ายศาสนาแล้วผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็จะต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจัยทั้งสี่นี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรม ก็จะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่นั่นแหละมันถึงเด้ดีนลนสแสวงหาเอาจึงเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเข้าไปไปสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองนี่ขอให้พากันมาสนใจในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ดังที่บรรยายให้ฟังมานี่นะอ่า ขอให้พากันมาสนใจปฏิบัติกันไปแล้วกิเลสตัณหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ที่ได้สะสมมาแต่อเนกชาตินี่มันก็จะได้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงกิจนี้ดังแสดงมา